แค่สวดมนต์บางบทก็ได้เป็นราชามหากษัตริย์จริงหรือถามมีการโฆษณาชวนเชื่อว่าสวดมนต์บางบทแล้วจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิหรือราชามหากษัตริย์ได้ตามปรารถนาอย่างนี้ขัดกับหลักกรรมวิบากหรือไม่อย่างไรครับ การสวดมนต์เป็นการทําจิตให้สงบด้วยอุบายวิธีท่องบนคําสอนของพระศาสดาถ้าสวดบาลีแบบไม่รู้คําแปลก็ได้กระแสความศักดิ์สิทธิ์กล่อมกล่ำจิตใจให้สงบนุ่มนวลระงับความฟุ้งซ่านลงได้ระดับหนึ่งแต่ที่จะเป็นพลังบุญขนาดได้รับผลเป็นราชามหากษัตริย์โดยอัตโนมัตินั้นคงเหลือวิสัยครับ ลองคิดง่ายๆราชามหากษัตริย์มีได้หนึ่งเดียวในประเทศแปลว่าต้องมีบุญระดับหนึ่งในล้านหรือหนึ่งในหลายสิบล้านหรือหนึ่งในพันล้านถ้าทุกคนสวดมนต์บทที่คุณว่าแล้วมีสิทธิ์เป็นราชามหากษัตริย์กันหมดอย่างนี้ถ้าสวดกันล้านคนในไทยก็แปลว่าต้องแหกันไปเกิดในโลกที่มีล้านประเทศนะสิ มันจะมีที่ให้ปกครองกันพอหรอตามความเป็นจริงมีกรรมหลายชนิดที่บรรดาให้เป็นราชามาหากษัตย์หากรวบรัฐเป็นคำเดียวสั้นๆก็คือต้องเป็นบุญใหญ่ระดับหนึ่งในล้านตัวอย่างเช่นถ้าในอดีตทำบุญกับผู้ทรงคุณใหญ่ ระดับหนึ่งเดียวในจักรวาลเช่นพระพุทธเจ้าและอธิษฐานด้วยความโลภอยากเป็นใหญ่ทั้งที่ปกติเป็นผู้ตรณีถีเหนียวไม่นิยมรักษาศีลเช่นนี้ก็อาจมีชาติใดชาติหนึ่งที่กรรมเวียงไปเกิดในราชวงศ์ประเทศเล็กมีสิทธิ์ขึ้นนั่งบันลังกษัตริย์เท่าว่าราชรัพท์น้อยบริวารน้อยและอาจมีผู้เล็งจะแย่งชิงตลอดเวลา เราบาทบริจาริกาและบรรดาประชาชนเห็นแล้วจะไม่รักใคร่หรืออยากเทิดทูนเว้นแต่ระหว่างอยู่ในพระราชอำนาจจะเป็นครูดีประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นมหากุศลคนใกล้ตัวและประชาชนจึงบังเกิดความเคารพรักเลื่อมใสในภายหลัง แต่หากในอดีตมีน้ำใจเสียสละระดับมหาทานเป็นปกติใจใหญ่และสั่งสมกองบุญระดับหนึ่งในล้านเช่นนี้แม้ไม่อธิษฐานหวังเป็นใหญ่ก็มีสิทธิ์ได้เป็นราชาโดยธรรมเพียงเห็นพระพักรหรือพระอิริยาบถประชาชนก็จะรักยังไม่ต้องมีเหตุผลอื่นประกอบไม่ต้องรอดูพระราชกรณียกิจซะก่อน เพราะราสมีบุญอันเกิดจากมหาทานตกแต่งให้หน้าเลื่อมใสยอยู่แล้วส่วนการสวดมนต์มากๆและอธิษฐานขอให้ได้เป็นกษัตริย์ก็คงมีบุญส่งประมาณมีสิทธิ์นั่งลุ้นอยู่ห่างๆเป้าภาวนาด้วยความหวังริบหรี่ให้ส้มหล่นใส่ตักติดนิสัยจดจ่อรอคอยวาสนาชาติแล้วชาติเล่าแล้วก็ไม่สมหวังสักชาต หรือสมหวังก็ประเภทถูกหลอกให้ดีใจเล่นลมๆแล้งๆทั้งนี้ก็เพราะไม่ได้สั่งสมบารมีแบบกษัตริย์ที่แท้จริงติดตัวมาเลยอีกประการหนึ่งอยากแถมท้ายไว้สำหรับคนทาบุญด้วยใจปรารถนาขอให้ได้เป็นราชามาหากษัตริย์การทาบุญในขอบเขตพุทธศาสนานั้น ไม่ยากหากปรารถนาเป็นใหญ่ในการข้างหน้าแต่ต้องดูด้วยว่านิสัยจริงๆเหมาะกับการเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่ให้คุณหรือให้โทษนิสัยที่ประพฤติปฏิบัติเป็นอาจินนั่นเองจะกําหนดว่าความเป็นใหญ่ในอนาคตของคุณคือประตูสวรรค์หรือประตูนรก รถกษัตริย์ที่ได้เป็นกษัตริย์นั้นได้ชื่อว่าเป็นกษัตริย์เพราะกรรมเก่าที่มองไม่เห็นส่วนกษัตริย์ที่ได้ชื่อว่าเป็นทรราชก็เพราะทำกรรมใหม่อันมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าในปัจจุบันเห็นกันในปัจจุบันว่ายอมตนเป็นท่าโลภโทสะโมหะฉะนั้นถ้าคิดจะทำบุญเพื่อเป็นกษัตริย์ในภายภาคหน้าก็ขอให้ดูว่า ปัจจุบันยอมก้มหัวให้โลภะโทสะโมหะมากน้อยเพียงใดเพราะนั่นจะเป็นรากของอนาคตชี้ได้ว่าคุณจะเป็นกษัตริย์โดยทศพิตราชธรรมหรือเป็นเจ้าแห่งปีศาจด้วยอำนาจบุญเก่า